ยังไงผ้าไหมผ้าเพสัตสบายดีอย่นะมีผ้าห่มพอไหมพอหรอผ้าอังสะกันหนาวมีนะมีไม่อดเลยเรื่องกันหนาวไม่ทงกลัวผ้าห่มพอเหือนเสียแต่ทดลองหนึ่ว่าหนาวมันเป็นยังไงใช่ไหม ให้มันอุ่นมากถ้าอุ่นมากมันนอนหลับให้มันเย็นๆบ้างลุกมานั่งภาวนามันยังค่อยไม่ง่วงไถ้ามันอุ่นมากเกินไปเวลานอนมันสับประงกอย่าให้มันอย่าให้มันอุ่นมากเกินไปลูกมานั่งให้หนาวๆสักหน่อยยังค่อยรู้สึกตัวภาวนาพุทโธพุทโธบางท่านนันเป็นอย่างนั้นนะ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 เาหกเจ็ดขึ้นมาโอ้ยอยู่ลำบากแต่สามเนี่ยโอ้โหเคยเดินเดินโดนสามมาแล้วห่มผ้าไม่ได้เรื่องเลยมีตะกองไฟท่านั้นน่ะกองไฟใหญ่ๆไล่ความหนาวแต่ไม่ดีอย่างนี้ว่าแถวเรามันไม่มีลมไม่เหมือนแถวห้วยทรายห้วยทรายเราไปมันได้กินเนี่ยโอ้ลม พอหนาวๆเข้ามาน่ลมพัดเข้าไปในรูฝาบ้านเเป็นพัดเข้าไปในรูไหนความเย็นเข้าไปหมดหนาวลมเนี่ยถ้าผ้าไม่หนาจริงถ้าผ้าไม่ดีจริงหนาวจริงๆหนาวลมวันนี้เป็นวันที่สิบห้ามกราคมพุทธศักราชสอง5ห้า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 ไม่ใช่หลักพระธัรมไม่ไหนความชั่วไปสู่อบายพูดง่ายๆ เ, เดินทางไปสู่นรกพูดง่ายๆอีกเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราพระเราทุกองที่ไปพบไปเจอนสถานที่ใดก็ตามไม่ใช่เจอแต่ผ่านที่ผ่านมาไปเจอณส น, นที่ไหนก็ตามในอนาคตให้พวกเรา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 สมัยตัวเองยังไม่บวชไปเห็นพระเดินโตโต๊เต๋อถืออะไรขับปุรีสูบ ป, ปุรีในที่สาธารณะอย่างนี้เป็นต้นนะเราก็ทำหนิในใจฮะไม่เป็นอย่างนู้นพระทำไมเป็นอย่างนี้ผมได้ยินเสียงเหล่านี้นะแต่พอตัวเองเข้ามามาบวช ทำร้ายยิ่งกว่านั้นไปอีกออกินก็ตั้งเข้าลงเข้าแรงกินอะไรทุกอย่างเกือบจะมไม่มีวินัยอยู่ในตนเองอีกต่างหากอย่างนั้นผมก็เคยเห็นหที่มาพูดเพราะผมมีลูกศิษย์ลูกหาหมูพวกเพื่อนหลายระดับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆองค์ในเมื่อเราเป็นครวาสเรามองอีกแบบหนึ่ง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 เพื่อความเจริญโดยโดยส่วนเดียวเรียกสารานยธรรมมีหเข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาต่อเพื่อนภิกษุสมัมเณรทั้งต่อหน้าและรับหลังมีขนไขว่ดูแลการขาดเขินปัจจัยสี่เรือ่องการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นต้นเข้าไปตั้งวจีกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนภิกษุสมัมเณรทั้งต่อหน้าและรับหลังเช่นเห็นว่าหมูพวกเพื่อนมีความเห็นเพชร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 เพื่อให้หมู่พวกเพื่อนได้รับความสะดวกสบายมีความสุขในการประพฤติปฏิบัติธรรมนี่แหละเข้าไปตั้งมนโนกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนภิกษุสัมมเนธทั้งต่อหน้าและรับหลังแล้วก็มีศีลบริสุทธิ์เส ม, มอเหมือนภิกษุสัมมเนธอื่นไม่ให้ภิกษุสัมเนธอื่นตำหนิติฉินเราได้ว่าศีลของเราวินัยของเราในย่อย่อนไม่เป็นที่ยอมรับของหมู่คณะสงฆ์ อันนี้ก็เราก็พยายามรักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เทียมเท่ากับหมู่พกเพื่อนแล้วก็มีความเห็นทิฏฐิคือความเห็นเหมือนกับภิกษุสมเณรอื่นอย่าไปเห็นความผิดแปลกแตกต่างคือมิจฉาทิฏฐิทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วไม่ขอรบครูบาอาจารย์ทิฏฐิมานะแข็งกระด่างอันนี้ก็ไม่เป็นผลดี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 ผมได้กล่าวให้หมู่พวกเพื่อนหมู่พวกเพื่อนไปอยู่นะสถานที่ใดให้มีจิตใจให้มีน้ำใจต่อเพื่อนภิกษุสัมาเนนต่อผู้ที่เกี่ยวข้องท่านไปอยู่นะสถานที่ใดมีแต่วความร่มเย็นเป็นสุขแต่ถ้ามาพวกเราไปอยู่สถานที่ใดมีแต่โรบโหโมโกณนะโรบโกรดหลงทิฏฐิมานะไม่ยอมลงใครไม่ยอมฟังใคร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 ไปอยู่นสถานที่ใดมีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขนะถ้าไม่ขาดความรอบครอบแล้วก็หาความสงบสุขได้ยากเพราะไรเพราะกิเลสราคะโทสะโลภโกรธหลงเข้ามามาลุมมาตุ่มเราเราก็วันไหวไก ว, ไวแกวงไปตามกิเลสโลภโกรธหลงเหล่านั้นฉะนั้นะขอฝากไว้กับพะลูกพะหลานน้องนองุนง่งทุกองนะต้องตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้ภาวนานะ่ หลักของเราเดี๋ยวนี้ให้ภาวนาให้ชำระใจใจนั่นะเป็นหัวหน้าใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจความสุขทั้งหลายออกไปจากใจทั้งหมดความทุกข์ทั้งหลายออกไปจากใจเพราะนั้นทุกทุกสุขมันอยู่ที่เดียวกันเราจะใช้อะไรเราจะใช้คุณธรรมศีลธรรมเข้ามานั่งอยู่บนใจของเร า, เามีแต่ใจของเรามีแต่ การกรองไตรตรองเหตุและผลใจของเราก็จะมีความเยือกเย็นแต่บางพวกเราใช้กิเลสโลภโกรธหลงราคะโทสะโมหะเข้ามานั่งอยู่ที่ใจของเราใจของเราก็มีแต่ความรุ่มร้อนขุ่นมัวโมโหโกธาทั้งวีทั้งวันจะหาความสงบสุขไม่ได้เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราต้องใช้ธรรมะนะใช้หลักพระธรรมวินัยใช้หลักธรรมคําคสอนเข้ามาเตือนตัวเอง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 เหมือนกับคนป่วยชอบของหวานอย่างนั้นแหละอะไรเป็นของแสลงมันชอบแต่กินเข้าไปแล้วมันแสลงเผลอๆตายต่างหากักพรากินของแสลงนี้ก็เหมือนกันอะพวกเราเนี่ยอชอบของแสลงอย่างนั้นอะแต่เราต้องฝืนต้องฟังทำพระเทศนาของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาของเราเนี่ยขอให้ฟังวันละหนึ่งกันอย่างน้อยวันละหนึ่งกัน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 เป็นพระกรรมฐานอย่างนี้ควรปฏิบัติตนอย่างไรนพวกเราจะดูรู้วิธีการนะขอให้พวกเราตั้งใจนะบวชมาทั้งทีอย่าให้ได้เปล่าประโยชน์นะบวชมาแลว้วก็เป็นแต่มาคิดถึงบ้านถึงเมืองง่อมไยเงาแง่อมเงาเศร้าซึมนะ่ยมันไม่ถูกอะไรอย่างนั้นเพราะเรามาทําหน้าที่นี้เราต้องออมาบวชก็รู้อยู่แล้วจะบวชกี่วันกี่เดือนออกไปเราจะอยู่กี่ปี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 เราแหละไม่ได้เรื่องได้ต้องฮึดสู้นะถ้าเราฮึดสู้แจะจิตใจสงบจิตใจรวมจิตใจสงบแล้วพวกเราโอพ้พระพุทธเจ้าสอนธรรมะเนี่สอนยังไงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านฝากฝังชีวิตไว้นพระพทุทธศาสนานี่เป็นพ่อเหตุนี้เองหนาะนี่ เ, ออเป็นอย่างนี้นะเราจะได้โอปัญญยโกนในจิตในใจของพวกเรานาะพาลูกพาหลา น, นตั้งต่เนี่ไปสวดท้ายปฏิโมก